รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่องหนึ่งเวิร์คบริษัทสหบคุคคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและ SCB SME ภูมิใจเสนอเรื่องราวของมหาศาสดาผู้ชี้ทางสว่างให้มนุษย์ได้ตื่รู้เรื่องราว พระพุทธเจ้าความเดิมตอนที่แล้วคำทำล า, ายของอสิตามุนีที่เชื่อมั่นว่าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะจะต้องละทิ้นราชบลังเพื่อออกบวชได้สร้างความเจ็บปวดและกังวลใจให้แก่พระเจ้าสุโธทนะยิ่งนักพระองค์จึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้พระอรสองค์น้อยอยู่ห่างไกลาจากความทุกข์และความเศร้าท้งปวง โดยถึอกับออกคำสั่งให้ย้ายประชาชนทั้งคนเจ็บคนป่วยคนยากจนและคนแก่ให้ออกไปอยู่หน้าเมืองแห่งใหม่ที่พระองค์สร้างขึ้นโดยไม่ฟังคำท้าทานจากพระนางประชาบดีผู้เป็นมเหสีแม่แตหนหอยพระราชโอการนี้ได้สร้างความทุกข์ทรมานแก่พระศกนิกรอย่างแสนสาหาัสความพยายามของพระเจ้าสุโธธนะจะต้านทานคทํานายที่ดักแน่นของอสิตามุนีได้หรือไม่ติดตามได้ไหน พระพุทธเจ้ามห า, าศาสดาโลกมันสำคัญด้วยเหรอท่านแม่ที่ต้องแต่งตัวขนาดนี้เพื่อออกท้องพระรงใช่จ้ะทำไมล่ะ จ, จะได้ดูเหมือนเจ้าชายไงถ้าข้าไม่ใส่ขนาดนี้ ข้าก็จะไม่ใช่เจ้าชายเหรอเจ้าไม่น่าชื่อศิทธ์ถอดเลยน่าจะชื่อที่สงสัยมากกว่าพระแม่เหสีท่านป้ายสีดำที่เจ้าชายสิอาจจะมีในตาผีร้ายจ้องอยู่เรียบร้อยแล้วเจ้าชายพร้อมจะออกท้องพระโรงแล้ว จับค้าแต่งตัวสารพัดยางข้าต้องเล่นไม่ถนัดแน่ๆท่านพ่อเจ้าเป็นถึงเจ้าชายเจ้าจะต้องแบกภาระไปเถอะกษัตรย์ไม่เดินแบบนี้แต่เดินแบบอ๋อต้อนรับทุกท่าน สุราชสํานักของกบิลพัทเราขอต้อนรับเจ้าชายศิทธาและขอต้อนรับเจ้าชายเทวทัตทั้งสองพระองค์มาเข้าสู่สภาของกบิลพัทเป็นครั้งแรกเจาชายสิทธราชายศิทธทุกคนเงียบก่อนเงียบก่อนข้าขออนุญาตพระเจ้าสุโธธนะเพื่อจะเปิดสภากบิลพัทณัปนี้ ในวันนี้มีชาวนาสองรายมีเรื่องร้องเรียนต่อฝ่าบาทคำนับฝ่าบาทเจ้ามีปัญหาอะไรฝ่าบาทข้าจะมาร้องเรียนเรื่องของเขาเขาคนนี้ได้ยืมเมล็ดข้าวจากข้าไปเมื่อปีก่อนและรับปากว่าจะใช้คืนใน้ข้าในปีนี้แต่เขา ก็ยังไม่คืนได้ค่าเลยฝ่าบาทข้าจะคืนให้เขาได้ยังไงฝ่าบาทสองปีมานี้ผลผลิตไม่ดีเอาซะเลยข้าจะเอาที่ไหนมาคืนเข้าพูดโกหกฝ่าบาทท่านถามพวกทหารดูก็ได้ตอทหารไปจับตัวมาเขากําลังเอาน้ํามันหนวดเมล็ดข้าวและเอาเก็บในกระสอบว่ะฝ่าบาท ถ้มีเมล็ดข้าวแค่สองกระสอบข้าต้องเลี้ยงดูครอบครัวด้วยข้าวสองกระสอบนี้ทั้งปีข้าวน้ํามันหดเมล็ดข้าวเพืกันไม่ให้มันเสียแล้วทหารก็จับตัวข้ามาที่นี่ถ้าให้เมล็ดข้าวเข้าไปแล้วก็แล้วข้าจะกินอะไรฟ้าบาดถ้าเขาไม่ยอมคืนให้ข้าข้าต้องบอกให้เขายกที่นาให้ข้าถ้ายกที่นาให้เขาข้าคงไม่มีทางคืนเมล็ดข้าวได้นทั้งสองฝ่ายแสดงความคิดเห็นไปแล้วเชิญฟาบาด ตัดสินพระไทยได้เจ้าชายสิทธัตถ์เจ้าชายเทวัต น, น์ข้าขอเอาความเห็นก่อนเอาสิฟาบาสถ้าว่าเราควรตัดสินใจตามกฎของกษัต ร, ริย์ในเมื่อเขาไม่ทําตามคําสัญญาดังนั้นข้าว่ากุสันต้องยกที่นาให้กับคูริฟามบาสอย่าสรงตัดสินพระไทยแบบนั้นฟาหาส ข้ต้องหมดตัวแน่โปรดเมตตาเถินะ่าบเจ้าชายสินธภเจ้าตดสินยังไง ฟ่าบาทถ้ากุสันคืนเมล็ดข้าวไปแล้วเขาจะเลี้ยงดูครอบครัว ย, ยังไงถ้ายกที่นาให้คูรีไปแล้วแล้วเขาจะทำนาปลูกข้าวได้ยังไงกันและเขาจะเอาเข้าวที่ไหนมาคืนคูรีคูรีไม่ได้ขาดแคลนข้าวฉะนั้นกุสันควรได้เวลาใช้นี่มากกว่านี้ ข้าเห็นด้วยกับการตัดสินของเทวทัตถ้าพ่อข้าไม่ทำตามที่รับปากไว้การค้าในเมืองจะต้องหยุดชะงักฉะนั้นกูสันจะต้องมอบบางอย่างไปให้ครูรีลดเมตตาด้วยฟ้าบาทถ้าให้เงินครูรีไปหมดแล้วแล้วข้าจะเอาเงินทีไหนไปคืนให้เขาอ่ะเขาไม่เคยให้เงินข้าสักหน่อยฟ้าบาทครูรีโกหกพะยะค่ะข้าจะโกหกไปทำไมอ่ะ ฟ้าบาทข้าอนุญาตข้าจะสืบหาความจริงให้เอาล่ะถ้าอย่างนั้นเรามาหาความจริงกันเอาเงินมาดูสิคูรีแต่ว่าเจ้าท้ายเงินผุ่นนี้เป็นของขาดนะ เงินพวกนี้เป็นของกุศลเจ้าพิสูจน์ได้ยังไงว่าเป็นเงินของกุสัเพราะว่าตอนกุศลให้เงินนี่มือเขาเบื่อ น, น้ำมันอยู่ดังนั้นเงินจึงมีน้ำมันติดอยู่ด้วย น, นยด้วยเชฟบบ เอาไปขาด้วยเงินเป็นของกุสันจริงๆฝ่าบาทเป็นเงินของกุสันมีแปลว่ากุสันได้เอาเงินให้คูรีไปแล้วเขากับว่ากุสันไม่มีเจตนาลายกุสันจะได้เวลาใช้หนี้เมล็ดข้าวนานขึ้นส่วนคูรีจะต้องถูกโวยสิบทีโทษฐานที่โกหกต่อหน้าค่าไม่นะป่าบาดไปยกคข้าไปเล่นแล้วนอน ข้ามวบเห็นกันเงินสิเปลียนทำให้ข้าตาบอดฝาบาดถ้าข้าโกหกอีกแล้วก็ข้าสัญญาว่าข้าจะยกเมล็ดข้าวและทินาให้กับท่านฝาบาทพระองค์ให้อภัยคูรีเถิดจากนี้ไปเขาจะไม่โกหกอีกรีข้าจะยกโทษให้เจ้าแต่ว่าต้องมีใครสักคนในสภานีรับประกันเจ้า าถึงจะให้อภัยได้ตกลาาตเราไม่รับประกันแล้วมนะ่เราไม่รับประกันใระไรไม่รับประกันรไม่รับประกันเจ้าหรอกอสิกุรีไม่มีใครในที่นี้พร้อมจะรับรองเจ้าเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นเจ้าจะต้องถูกลงโทษฟาบาทถ้าอย่างนั้นข้าขอรับรองคูรีเอง จะไม่พูดโกหกอีกสิทธารู้ไหมว่าที่เจ้พูดเน่ยหมายความว่ายังไงถ้าคูรีโกหกอีกจะต้องเป็นตัวเจ้าที่จะต้องถูกลงโทษแทนเขาใช่แล้วท่านพี่แต่คูรีจะไม่ถูกลงโทษใช่ไหมเจ้าชายสิทธาต้องเตะเร็วเจ้าชายเตะเร็ว ไม่ว่าจะทํำยังไงก็าตามลูกชายของท่านก็ยังโตมาเป็นมือนี้นทุกคนพูดถึงความฉลาดของสิทธิ์ทัตอนว่าความ ชาวเมืองก บ, บิลพัทมีความสุขเป็นไรฝ่าบาททำไมท่านไม่สบายใจลูกชายท่านชนะใจทุกคนด้วยปัญญาของเขาการว่าความเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของกษัตริย์การตัดสินอย่างฉลาดเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของคุณแต่ว่าการออกรับแทนคนผิดเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความเห็นใจเจะปกครองเมืองไม่ได้ถ้าเป็นคนใจบ่อน ผนเป็นกษัตริย์จะต้องหนักแน่นถ้าคนทำผิดถูกลงโทษเขาจะต้องไม่เจ็บปวดแทนแต่จะต้องภูมิใจที่ตัดสินอย่างยุติธรรมเด็กสะาบาทเจ็าชายยังเด็กเล็กนักและจิตใจของเด็กก็เป็นแบบนี้เลยถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องขันกล่าวเขาประชาบดีท่านพูดถูกแล้ว เราจะส่งสิทธัตถะไปเรียนหนังสือที่ตักศิลาสิทธัตถะไปเรียนที่ตักศิลาไม่ได้เงินท่านจะให้เขาศึกษาหาความรู้จากที่ไหนงั้นเหรอข้าจะสร้างโรงเรียนขึ้นที่นี่เขาจะต้องอยู่ในสายตาของข้าตลอดเด็กทุกคนในตระกูลของเราจะต้องเรียนที่นี่ในกรุงกบิลพัท กรดกับอาหารสิเทวดาทำไมละ่ะข้าจะระบายกับทุกอย่างข้าตัดสินใจถูกแล้วแม้แต่าฝาบาทก็เห็นด้วยแต่ว่าทุกคนตลบไปสัรเสริญสิทธัตถะทำไมเช็ด <c oughs> น้ำตาซะเทวดาอย่าร้องไห้แบบนี้จะไม่ใช่เด็กแล้วถ้าท่านไปพิชายเขาฝาบาท ข้าก็จะได้เป็นผู้สื่อบัลลังเทวทัต ท, ที่กขพูดนะถูกแล้วเขาอายุมากกว่าแต่ต้องก้มหัวให้กับเด็กนะท่านเป็นพ่อของเขาน้ำตาของเขาไม่มีค่ากับท่านบ้างเลยเหรอท่านต้องการอะไรจะให้เทวทัตเดินตามหลังศิทธัชไปตลอดเหมือนที่ท่านเดินตามหลังฝ่าบาทงั้นเหร อ, อล ไปดูเถอพวกใครต้องทดใช้ให้น้ำตาของเทวัตัไม่ว่าจะเป็นฝาบัทหรือว่าเจ้าชายศิทธัช ไปส่าบามันเหมือนกันเป๊ะไม่มีความแตกระวังอย่าให้ใครล่วงรู้เรื่องนี้ฟ <c oughs> ่าบาทไม่มีใครรู้แน่นอนถ้ามีรางวัลปิดปากอย่างงามอุ้ <c oughs> <c oughs> นี่ใครเน่เน่เตรงนี้ตรงนี้เร็วเ้าเเร็วเเเร็ววเรเเร ลระองค์อย่าไปทั้งนั้นเลยเจ้าชายสิทิถากำลังเล่นอยู่อย่ายึดถอยไป พระมเมหศีเจ้าชื่ออะไรฉันนะเขาชื่อฉันนะพระมเมหศีลูกชายเจ้าเหรอสุริยาพะยะค่ะเข้ามาสิไม่หรอเจ้าชายให้อยู่นี่แหละเขาเป็นลูกของสารทีจะเข้ามาข้างในไม่ได้ทำไมละ่ะพวกเขามีวันนะต่ำกว่าท่านไม่ควรแตะต้องวันนะต่ำกว่าเหรอวันนะคืออะไร อย่างเช่นท่านเป็นเจ้าชายและเขาเป็นลูกของสารทีแล้วไงเราต่างกันตรงไหนอ่ะท่านเกิดในประสาทราชวังท่านจึงเป็นเจ้าชายเขาอยู่บ้านหลังเล็กๆเขาจึงเป็นลูกของสารทีแล้วมันแตกต่างยังไงเขาเองก็มีเลือดออกเหมือนกันกันกบข้าเอาไว้โตขึ้น แล้วท่านจะเข้าใจเองแต่ข้าอยากเข้าใจตอนนี้ไม่นะไม่ไม่ได้นะเจ้าช้ท่านจะทำอะไรอ่ะอย่าแตะต้องตัวเราเราเป็นคนวันณะต่ำแตะตัวเราจะเป็นบาปก็ถ้าเขาไม่แตะตัวข้าแล้วจะช่วยข้าได้ยังไง ถ้าคงเจ็บตัวหนักเป็นแน่พระเพ็เสียเทวทัตเป็นไงบ้างเขามีบาทแผลชะะกันหรือเจ้าเพิ่งมาบอกข้าเลอไปเร็วเทวทัต เจ้ารู้ไม่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสาบัารู้เรื่องเขานะที่บรรทัดเป็นยังไงบ้างพี่มังคลาเอ อ, เ, อ, อเขานะ่ะตกลงมาตอนที่จะช่วยสิทธิถะพอดีเลยดูความรักของพวกเขาสิโ อ, อสิทธิถะเจ้าเป็นยังไงบ้างเขาอะไะไล่เขาออกไปเขาต้องรับผิดชอบทุกอย่างเขาเป็นคนมาขัดขวาง ข้าคุม้าไม่อยู่ก็เลยพัดตกลงมาไล่เขาไปดนนีิถผูกว่าน่าตำไล่เขาออกไปเขามากับข้าเองท่านพี่ถ้าเขาอยู่กับเจ้าแล้วก็ข้าก็จะไม่อยู่กับเจ้าเทวทัตเจ้าพูดอะไรนะ่เขาเป็นเจ้าชายนะไม่เป็นไรหูกพี่มังคลาคดีใจที่ได้เห็นเจ้าชายทั้งสองปลอดภัยดี อีกอย่างหนึ่งนะพี่มังคลาเรื่องนี้ไม่ควรถึงหูฟาบาทไม่งั้นเขาจะเป็นกังวลเรื่องเจ้าชายสุประปลาเรื่องนี้ข้าก็มีอย่างจะให้ฟาบาทมารับรู้หรอกเทวัตถุข้าได้พลาดโอกาสไป ไม่อย่างนั้นคงจะสมใจข้าละท่านเจ้าต้องการอะไรเจ้าจะต้องอดทนไม่งั้นเจ้าจะต้องพินาศแม่กูรีนัา น, นท่านเหรอ๋ อ, อ, อครับท่านมีอะไรจะสั่งข้าเหรอ เราควรทําตามรับสั่งของ่าบาัตตกลงเราจะไปไหนกันเราจะไปงานเทศกาลวันประกมงคลนเหมือนทุกปี แล้วปีนี้ท่านป้าอมิตาจะมาเหมือนทุกปีไหมมาสินังมาแน่แล้วยโสทราล่ะ <c oughs> นางก็มาด้วยจ้ะ บริจากที่ดินเพื่อ น, น้องสาวและพรามช่วยให้ที่นามีผลผลิตดีแต่น้องสาวข้ากำลังเดินทางมาจากเทวสถา <le o> ใช่มันชื่อกุช้ามันเป็นเพื่อนข้าได้ไหม <le o> ได้สิเป็นได้ปกตินางจะมากับรถม้าหรือเกี้ยวทาไมปีนี้ น, งนังถึงขี่ช้างมาได้พระเจ้าทันทั ป, ปนีตั้งใจส่งช้างมาเพื่อดูถูกเราเ็ือบอกว่าเขามังางม่งคั่งมากกว่าเรานี่ไม่ใช่ช้างแต่ว่าเป็นเกียรติของเขา สารีคลุมตัวลูกสาวค่ารู้ไหม ห, หมายความว่ายัางไงว่ายัางไงล่ะจากนี้ไปนางคือลูกสาวเจ้าใครบอกว่านางเป็นคนอื่นก็นละ่ะนางเนะี่ยเป็นลูกสาวเราเสมอเจ้าว่าไงยายโสธราข้าขอให้กับบิลพัตรรับพรเหมือนทุกปีให้ปีนี้อุดมสมบูรณ์ ร s <S ตระสตรีอาตัชายตรองจุดวัดใคาจะทอยลูกเต๋าเจ้าไม่ควรมองหน้าคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าตอนเล่นเกมมองมือของเขาไม่งั้นแล้วเขาจะโกงได้ เจ้าเห็นน้มที่บนหัวข้าเหมือนนามบนตัวช้างงั้นเหรอเห็นให้ข้าเอาออกไหมดีดึงออกไปดึงมันออกทีท่านดูสิทำไมมันถึงได้มีสีต่างกัน คราวนี้เขาจะตอบว่ายัางไงเขาจะบอกว่าผมเท่าหมายถึงความแก่เท่าหรอสิทธทัศต้องถามความหมายของมันแน่เออเจ้าชายฟันน้ำนมของเจ้าหลุดไปมีฟันใหม่มาแทนนี่ก็เหมือนกันเช่นผมเปลี่ยนสีล่วงหลุดเช่นกันและจะมีผมใหม่มาแทนที่เหมือนกับ ที่ใบไม้เปลี่ยนสีใช่ไหมพยะค่ะใช่แล้วเหมือนกันเลยเจ้ามาได้เวลาพอดีเลยเจ้าชายง่วงนอนแล้วพาเข้าไปเถอะเจ้าชายช่างสังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆเขาเป็นคนฉลาดมาก สายตาก็แหลบคมวันนี้ท่านโอาตัวรอดได้แล้วลวันพรุ่งนี้ล่ะวันพรุ่งนี้ข้าจะประกาศว่าทุกคนที่เข้าสภาจะต้องคลุมหัวแล้วผู้หญิงละ่ะพวกนางจะต้องใช้ใบเห็นหน้าทาศีสันมันช่วยเปลี่ยนสีผมไ ม, ไม่นะฟาบานเราบอกความจริงสิทธรไม่ได้เลยการคุยถึงอดีตทำให้คนเสียใจการคิดถึงอนาคตทาให้คนอ่อนแอ เพราะงั้นจงอยู่กับปัจจุบันเธอประชาบดีสำหรับค่าความจริงทุกอย่างที่ทำให้สิท ธ, ธิษารู้ความจริงของชีวิตไม่ใช่ความจริงอ๋อปรกสิท ธ, ธิษาตอนเช้าด้วยครูจะมาสอน น้ำนมของเจ้าหลุดไปมีฟันใหม่มาแทนนี่ก็เหมือนกันเช่นผมเปลี่ยนสีหลุดล่วงเช่นกันเจ้าชายพรามทุกคนต้องเรียนพระเวท ครูกุนทินจะเป็นคนสอนพระคำภีครูอัศวปันจะสอนการขี่มาและครูอารยาจะสอนเรื่องการเมืองมีครูสอนบทกรนและวายากรด้วยเขาเรียนรู้เรื่องศาสตร์และพระเวทพร้อมทุกคนจะเป็นครูเจ้านับแต่บันนี้ เจ้ามีหน้าที่ฟังคำสั่งของพวกเขารับพรจากพวกเขาเจ้าตัดสินใจแล้วนี่ว่าจะเรียนด้วยฉะนั้นเจ้าต้องเรียนกับเจ้าชายใช่พะยะคับความบ้าเ ข, า, ขาบอกว่าถ้าเจ้าชายต้องเรียนที่กุรกุลแล้วเขาอยู่คนเดียวจะทำอะไร การปรากฏตัวของชา้างและเด็กหญิงเป็นลางดีเจ้าชายจะได้เรียนรู้อย่างมากมายให้อภยัยข้าด้วยเถิดเขาควรจะเรียนรู้เพื่อเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เป็นนักรบที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนในแผ่นดินนี่คืออะไรตะเกียง ตะเกียงเป็นสัญลักษณ์ของความรู้ความตั้งใจมันยังไงเหรอมันคือตัวแทนของความรู้เพราะเมื่อจุดตะเกียงเราจะรู้จักโลกที่อยู่รอบตัวเรามันคือตัวแทนของความตั้งใจเพราะเมื่อจุดตะเกียงความสนใจของทุกคนจะมุ่งมาหามันเราจะเริ่มจากเสียงของความเราจะเริ่มสวดคาว่าโอม จนกว่าที่ตะเกียงจะดับทุกคนต้องสวดคำว่าโอม ไม่มีทางหาไม้ที่ขัดตีไปเจอต่อย ห, หาทั้งคืนก็ไม่เจอถ้าเจอแล้วถ้าเจอแล้วนายยศนี่แมเจ้าบอกว่าสิทธฐ า, ธาไม่มีทางหาเจอไงเขาเจอแล้วคราวนี้เจ้าหลับตาสิฉันนะตาเจ้าแล้ว เจอแล้วข้าเจอแล้วข้าเจอแล้วใช้เวลาน้อยกว่าสิทธิฐานด้วยแต่ว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะ ี่สิทธาถานถึงหาเจอเร็วนักขวานเขาต้องโกงแน่ๆเขาเอาไม้อื่นมาให้ข่าไม่สิทธาาไม่เคยโกหกซสนหน่อยงั้นข้าโกหกเหรอข้ายุ่งมากกว่าเขานะสิทธาาต้องขี่โกงแน่เห็นไหมเขาเดินหนีไปละ มีื่องอะไรสิทธิถาะสิทธิถะเป็นอะไร โกงงั้นเหรอถ้าฝ่าบาทรู้เรื่องนี้เข้านะ่ะรู้ไม่ว่าเขาจะเสียใจมากแค่ไหนข้าไม่คิดว่าเจ้าจะเป็นแบบนี้ถ้าเจ้าพูดความจริงและแพ้เขาคงไม่เสียใจเขาจะลงโทษเจ้าด้วยการไม่พูดกับเจ้า ทัดเอาไม้คนละอันมาเปลี่ยนกันสิท้าถามไม่ได้ขี้โกง ลูกเอ๋ยเจ้าไม่ผิดแล้วทำไมเจ้าม่ทักทวงเลยทำไมทำไมเจ้าถึงไม่บอกว่าเถอาบดทัดเป็นคนผิดท่านแม่ท่านสอนให้ค่าเคารพคนที่โตกว่าถ้าจะพิสูจน์ว่าท่านพี่ผิดได้ยังไงถ้าข้าพิสูจน์ว่าเขาผิดเขาจะต้องถูกลงโทษแต่เจ้าถูกลงโทษนะสิทธิ์ถ ทเทวดาต่างหากแล้วที่ขี้โกงทำไมเจ้าไม่พูดอะไรบ้างถ้าทำถูกแล้วที่ปิดปากเงียบเพราะความจริงจะเปิดเผยมาเองไม่มีใครปิดบังได้แท่ครูเป็นคนบอกกับข้าแต่มันไม่เกิดขึ้นในความเป็นจริงเจ้ามีหน้าที่รักษาสิทธิ์ของตัวเองนะถ้าควรทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหรอลูกเอ๋ย ทองคำต้องผสมกับโลหะอย่างอื่นถึงจะทำเป็นเครื่องประดับได้ข้าจะจำไว้ท่านแม่เงินบอกสิแม่ต้องชดใช้เจ้ายัางไงแม่ลงโทษเจ้าโดยไม่มีเหตุผล นี่เพลงของเจ้าฟังดูครุ่นคิดประชาบันนี้เจ้าเศร้าใจใช่แล้วฝาบาทมีอะไรน่าเศร้าไปกว่าความจริงว่าแม่ไม่เข้าใจลูกชายของตัวเองเลยข้ารู้สึกว่าเขาเป็นชายอายุแปดสิบ ในร่างของเด็กแปดขวบสาบาทถ้ามีก้อนหินขวางหน้าต้นไม้รากของมันจะตัดหินจนขาดออกแต่ว่าเด็กคนนี้เขาไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยแม้แต่น้อยไม่เคยคิดเลยแม้แต่นิดเดียวเจ้าเจ็บปวดเพราะว่าลงโทษเขาประชาบตี สอนให้เขารู้สิสอนให้สิทธัตถรู้จักสู้ไม่ต้องห่วงหรอกมาเหสีเป้าหมายในชีวิตของข้าคือสิทธัตถ์จะต้องเป็นจกักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่สูงสุดของเมือง น, นี้เขาต้องถูกเรียกขานว่าจากักรพรรดิสิทธัตถะ หน้าที่ของพระราชาที่ต้องส่งข้าวไปและข้ามอบหมายหน้าที่ให้คูรีเขาทำความผิดเป็นครั้งที่สองดังนั้นคนที่ออกปาบรับรองเขาจะต้องรับโทษแทนหน้าที่ของพระราชาคือการลงโทษและการแบกรับโทษคือหน้าที่ของบิดาดังนั้นพ่อของเขาต้องรับการลงโทษแทน ข้าพระอง